สมัยนั้นภิกษุยำเกรงที่จะทำบริกรรมในเรือนไฟบ้างในน้าบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องกำบังสามชนิดคือที่กำบังเรือนไฟที่กำบังน้า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 เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียงสมัยนั้นบ่อน้ำที่ไม่ปิดฝาผงหญ้าบ้างฝุ่นบ้างปลิวลงไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ